บันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่ยีสิบสกรกฎาคมสองพันาร้อยเจ็ดณวัดป่าบ้านตาด จ, จังหวัดอุดรธานีคนเราทุกคน เกิดมาเบื้องต้นก็ต้องมีความโง่เป็นธรรมดาต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมทั้งทางโลกและทางธรรมก็ยอมจะมีความฉลาดไปตามแง่แห่งการศึกษาแต่ถึงจะงโง่หรือฉลาด เราก็ยังดีเพราะฐานสำคัญคือความเป็นมนุษย์ของเราเยียกว่าเป็นฐานที่สูงสุดกว่าบรรดาสัพท์ที่เกิดร่วมโลกกันสัตว์ บ, บางตกเพืแม้จะมีร่างกายใหญ่โตยิ่งกว่ามนุษย์ ปาสนามาลมีก็สู้มนุษย์เราไม่ได้ในปัจจุบันาชาติที่ครองร่างแห่งความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันเะนั้นเท่าที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงจัดมากเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วเมื่อความเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติ ที่จะกล่าวไม่ให้พลากจากตัวของเราก็ได้แก่อัตภาพแผ่งความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละรีอกว่ามนุษยสมบัติพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าอิโชมนุษย์สปติลาโกการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่หาได้ยาก อันดับแรกอันดับที่สองจิตชั้งมัจจานชีวิตตัางเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วชีวิตที่จะสืบต่อไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นก็จะกล่าเป็นของหาได้ยากเป็นทียากประเภณของมนุษย์ มนุษย์ที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมไม่ลืมคุณงามความดีที่ตนได้เคยสร้างมาจนถึงความเป็นมนุษย์เมื่อได้อัตาภาพเป็นมนุษย์มาแล้วไม่ลืมตัวพยายามบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระพธิกา ก็ที่ว่าจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปในการข้างหน้าตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่าตโมโชติปรายญโเนี่ยเราจะมืดมาในเบื้องตน้นแต่ก็จะมีความสว่างสวายไปในการข้างหน้าคือเบื้องต้นละ ง, ง่ต่อมาก็มีความฉลฉลาดเพราะการอบรมศึกษา เราสามารถจะปฏิบัติตนให้ดีขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้มีมนุษยประเภทนี้เป็นมนุษย์ที่หาได้ยากแต่ที่เดียมาเป็นมนุษย์แล้วกลับทาร่างนี้ไปทำความเสียหายให้ล่มจมไม่มีกำไรทั้งด้านโลกคืออยู่ในโลกก็ไม่ทำโลกให้เจริญ ตายเป็นคุนขวางโลกไปที่ไหนทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองอย่างนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งร่างไม่ทำประโยชน์ดนใดนเลยเช่นเดียวกับไม้ที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีใครไปนำมาทำประโยชน์ตายที่งเกลืก่อนกราดิ่ ตามป่าตามลกหรือตายยืนต้นหรือยังสดชื่นอยู่ก็ขาดประโยชน์ไม้ประเภทนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยคนที่ทําตัวให้ขวางโลกยิ่งร้ายกว่าไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะไม้แม้เขาจะไม่เป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่ทําโทษแก่คนผู้ใดสำหรับมนุษย์ผู้ที่ไม่ทําประโยชน์แก่ตนแล้วยังเป็นผู้ทําความเสียหายแก่ตนและ ทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองนี้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าประเภทขวางโลกมนุษย์นี้หาได้ไง่ายมนุษย์ที่มีความใค่ความตรองเป็นผู้ที่รักคุณงามความดีรักทานรักศีลรักการอบรมจิตใจของตนให้เป็นเพื่อความเจร เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์ที่หายากมีคนเรียกว่าสิจโฉมนุษย์ปฏิลาโพคือหาได้ยากในมนุษย์ประเภทนี้ชีวิตจิตใจนั่นเมื่อยังมีชีวิตครองร่างอยู่ก็ต้องมีเหมือนกัน คนชั่วก็อายุยืนมีคนดีอายุยืนก็มีคนชั่วตายเร็วก็มีคนดีตายเร็วก็มีแต่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่อคุณงามความดีไปเป็นประจำนี่เป็นชีวิตที่หาได้ยากไม่ใช่ชีวิตที่ทาลมหายใจให้หายไปต่อเปล่าในวันหนึ่งวันหนึ่งขาดไปทุกวันทุกวัน ไม่ใช่ชีวิตประเภทนั้นชีวิตของผู้มีศีลมีธรรมรักคุณงามความดีนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ทำคุณงามความดีเป็นเหตุมันไม่สะดวกกายสบายใจนี่คือชีวิตคนที่มีคุณธรรมไม่สั่งสม อบรมจิตใจของตนมาจนมีความเคยชินต่อคุณงามความดีไม่แต่ทำแล้วอยู่ไม่ค่อยสะดวกสมายเมื่อได้ทำแล้วปรากฏมีความรุ่นเดิงบันเทิงในในใจมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคุณงามความดีเช็นนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากในบทที่สามจิตฉังสัตธรรมสาวนาง่งการจะได้ยินได้ฟังธรรมะคำ ส, สอน พระพุทธเทจ้าก็เป็นกองหาไดๆความจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่เราไม่สามารถจะหยิบยกธรรมะซึ่งมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องคร่ำสอนจิตใจของเราจรึงต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำคําำสอนแล้วค่อยเข้าเอเข้าอก เ, เข้าใจแต่วันเล็กวันน้อย ที่จะมีความสนใจแค่ต่อการสดับปรับฟังธรรมเทศนาเช่นนั้นก็มีจำนวนน้อยหรือเป็นคนที่หาได้ยากการฟังธรรมเพื่อความเข้าอกเข้าใจปีนกิงก็หาได้ยากคือหาได้ยากทั้งผู้สแสดงธรรมหาได้ยากทั้งผู้ที่จะสดับปรับฟังเพื่อข้ออัดข้อธรรมนำมาแก้ไขตัวเองให้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรทั้งสองประเภทนี้เป็นของหาได้ยากด้วยกัน ธรรมะที่แสดงนั้นมีอยู่ทั่วไปผลที่ว่านับถือพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ทั่วไปแต่ที่จะหาเอาหลักเกณฑ์จริงๆเพื่อผลประโยชน์จากหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้ว น, นั้นมีจำนวนน้อยไม่ว่าศาสนาใดๆคนเราจะอยู่เฉยๆมาได้ก็ต้องอาศัยชื่อสนามของศาสนานันนั้นมาเป็นเครื่องพึ่งพิงจิตใจ แต่หลักของใจที่จะเชื่อต่อหลักธรรมจริงๆนำตนของตนให้ประพติปฏิบั ต, ติตามข้าออัดข้อธรรมจนถึงแดนแห่งความถูกความเจริญประจักใจนั้นมีจำนวนน้อยและเป็นมันผู้ที่หาได้ยากอีกเช่นเดียวกันการฟังธรรมมีสองตัวผิดฟังธรรมจากครูจากอาจารย์หรือจากพระในสถานที่ต่างๆที่ท่านแสดงจะเป็นแสดงทางวิทยุกกระจายเสียงหรือจะแสดง บนธรรมาด้วยจะแสดงในสถานที่ใดก็เรียกว่าการฟังธรรมนี่เป็นการฟังธรรมประเภทหนึ่งแต่การฟังธรรมประเภทที่ยอดเยี่ยมเหมือนพระพุทธเทจ้าทรงสดับธรรมพระองค์เดียวอยู่ในป่าในเขานั้นนี่เดียก ว, ว่าการฟังธรรมที่หาได้ยากหรือพิจารณาไก่กลองดูตามสภาวะธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในหลักธรรมชาตินั้น จนเกิดความเข้าอกเข้าใจสามารถแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์ให้เป็นไปตามจนรู้กแจก้งแทงตลอดในเดีออยธรรมทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธเจ้าออขึ้นมาได้เป็นาศาสตาของสัตว์มีการตั้งรมประเภทนี้เป็นการฟังในอยากและหาในอยากด้วยผู้ปฏิประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งธรรมะคำอสอนของพระพุทธเจา้าจนเกิดมีสติปัญญาพินิจพิจารณ์และสามารถพินิจพิจารณา ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่ ว, ท, วทั่วไปน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกรำสอนจิตใจของตนผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้หาไดาย้ยากการฟังธรรมประเภทนี้เมื่อผู้สนใจใครฟังจริงๆแล้วสามารถจะถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องหมักหมมอยู่ภ า, ายใจิตใจให้หมดสิ้นไปเป็นอันดับจนถึงขั้นหมดสิ้นไปเสียจริงได้ การฟังธรรมอย่างนี้จึงจัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากและผู้ฟังธรรมประเภทนี้ได้ก็เป็นผู้หาได้ยากเหมือนกันเมื่อเป็นผู้สามารถจะสดับรับฟังธรรมเทศนาโดยในหลักธรรมชาติคือความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทั้งเขาทั้งเหล่าดูความแปรสภาพซึ่งมีอยู่ทั้งต้นไม้ภูเขาและใบหญ้าครับดินฟ้าอากาศให้เห็น เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอาตาเสมอ ก, กันกับเรื่องกายเรื่องใจของเราสามารถจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นตนของจิตใจออกจากสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ได้กลายเป็นความรู้สึก ข, ขึ้นมาภานใจที่เรียกว่ากิจโฉพุท ธ, ธานุ ป, ปาโฏการอุบัติขึ้นแห่งความรู้นั้นเป็นของที่หาได้ยากนี่จัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากมากในบทที่สี่ท่านกล่าวว่ากิจโฉพุท ธ, ธานุ ป, ปาัฏ การที่จะอุบัติตรัสขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นของหาได้ยากนั่นเป็นพุทธะของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นศาสน า, าสอนสัตว์แต่พุทธะที่บริสุทธิ์พุทธพ่องอย่างยิ่งภายในใจของเราซึ่งสืบเนื่องมาจากการส ด, ดับสะบฟังในหลักธรรมชาติอันต่อเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นภาค พ, พื้นนี้นี่ก็จัดว่าเป็นของหาได้ยากพุทธะอันนี้เมื่อได้ผุดขึ้น เพราะอำนาจแห่งการฟังธรรมย่อมเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพุทธะของพระโพธิจักรเพราะฉะนั้นจึงควรจะพายายามอบรมบำรุงพุทธะซึ่งกำลังรู้รๆอยู่ณขณะนี้ให้เป็นพุทธะพิเศษขึ้นมาเป็นลำดับเบื้องต้นก็เป็นพุทธะที่คุกคร้าวกันอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในโดยมากก็เป็นส่วนโทษ เข้ามาเครื่อแฝงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนให้ับความปรุงเปพล่เฮิร์มต่อเมื่อได้รับการซักพอกอบรมด้วยการฟังธรรมเทศนาหรือการดัดแปลงตนเองก็จะค่อยมีความปรองใสขึ้นมากับผู้รู้อันนี้ผู้รู้ น, นี้จะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความอยากจากความคลุกคล้าวในอารมณ์ทั้งหลายนั้นขึ้นมาได้เป็นลําดับเบื้องต้นทังกล่าวเป็นพุทธที่สงบ คือมีความสงบเยือกเย็นประจำตนให้เชื่อว่าพุทธะประเภทนี้กําลังเข้าอยู่ในขั้นสมาธิขั้นอันหนับต่อไปพุทธะอันนี้ได้มีความสงบเยือกเย็นภายในตนเองแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับน้ําที่นิ่งไม่มีสิ่งใดรบกวนสามารถจะมีความป่องใสาภายในตัวเองและผู้ต้องการจะส่องมองดูเงาหรือขวากน้ําอัศรพิษหรือสิ่งใดภายในน้ํานั้นก็เห็นได้โดยชัดเจน ลักษณะของปัญญาที่จะเกือแฝงขึ้นมาจากผู้รู้ที่มีความสงบเยือกเย็นอันเด่นดวงภายในตัวตัวเองนี้ก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกับน้ำที่ใสสะอาดนั่นแหละเมื่อพุท ธ, ธานี้ได้ค่อยฉายแสงออกมาเป็นความความเฉลียวฉลาดภายในตนเองและจนสามารถฉลาดรอบตัวแล้วพุท ธ, ธานี้จะกลายขึ้นตัวขึ้นมาเป็นลนำดับเป็นพุทธะที่ฉลาด นอกจากพุทธานี้เป็นความสงบเงยือกเย็นแล้วพุทธานี้ยังมีความเฉลียวฉลาดรอบครอบในตัวเองจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นนามหมักหมมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจทั้งตนได้เป็นลำดับลาดับและถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นพุทธะที่วกิจโฉบุทธานมุปาโธขึ้นได้แก่เป็นพุทธะที่เบิสุดขุดขึ้นภายในใจซึ่งเคยศมองมาเป็นเวลานานให้สิ้นพยศ หมดความกังวลใดๆทั้งนั้นนี่พุท ธ, ธะนี้เป็นพุท ธ, ธะที่หาได้ยากตามหลักธรรมที่กล่าวมาในสี่ข้อเบื้องต้นมากิจโชวุท ธ, ธะมนุษย์สตวิลาโผการเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นอันของหาได้ยากในอันดับแรกชีวิตของบุคคลที่เป็นมนุษย์นั่นก็เป็นของหาได้ยากในอันดับสอง ฐานแห่งความเป็นมนุษย์และชีวิตเป็นหลักฐานอันสำคัญมีอยู่แล้วและได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงด้วยความสนใจใคร่ต่อทำจริงจริงนั้นเป็นของหาได้ยากในอันดับสามและการฟังธรรมโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นของมีอยู่ทั้งภายนอกภายในกายภายในใจของตนเองโดยทางปัญญานี้จัดว่าเป็นของที่หาได้ยาก ข้าแนหนกึ่งในอันดับสามอันดับที่4ีได้แก่พุท ธ, ธะที่เคยคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อใจในหมดสิ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีความเฉลียวฉลา ด, ลอดรอบตัวนี่พุท ธ, ธะอันนี้เป็นของที่หาในยากในอันดับสี่ เป็นพุทธะที่มีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นผู้พ้นแล้วจากห่วงแห่งทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีความเกิดเป็นแดนเกิดนั่นคือรากฐานแห่งความทุกข์จะตามมาทุกด้านทุกทางเช่นเดียวกับต้นไม้เมื่อพลิขึ้นมาลุตแตกเม็ดขึ้นมาก็ปรากฏต้นขึ้นมา อีกการสาขาก็จะค่อยตามมาทีหลังลักษณะของความเกิดก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อพุทธานี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นอันทําลายบ่อแห่งกังบนทั้งหลายมีความเกิดเป็นต้นนั่นแหละพุทธของพระพุทธเจา้าเมื่อได้ผุดขึ้นในพระไถ่ของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้วิเศษเช่นนั้นจากพุทธที่เคยได้เศร้าหมองเคยเป็นของอับฉามาเป็นเวลานา สาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันกลายเป็นสาวกที่บริจิตต์พุโทโธตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงภายใน ผ, ผานได้พุทธะของเราเมื่อนำธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่เคยได้รับผลมาแล้วและรับรองโดยแน่นอนจากพระพุทธเจ้ามาชำนะจิตใจของตนก็จะกลายเป็นพุทธะที่แน่นอนหรือที่บริจิตต์พุโทโธเช่นเดียวกับพุทธะของพุทธของพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมด หน่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นใจที่ดีเสียประจักษ์กับใจของตัวเองโดยเฉพาะจะอยู่ก่าดีจะไปก่าดีจะตายก่าดีไม่เป็นเครื่องกังวลหรือไม่เป็นอุ ป, ปสรรคใดๆที่จะสามารถเหยียบย่ำพุท ธ, ธนี้ให้กลายเป็นของเจ้าหมองหรือไปคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายได้อีกต่อไปขอให้บรรดาทุกท่าน ที่มีความสนใจใคร่ต่ออัดตธรรมและใคร่ต่อการจะลื้อฟื้นตนเองให้เข้าถึงแดนแห่งความเจริญอย่าได้มองข้ามตัวเองและหัวใจของตัเองซึ่งกําลังจะเป็นของมีคุณค่าอยู่ในขณะนี้พยายามอบรมอันใดจะขาดเหลืออันใดจะบกพร่องหรือเอีย ง, งไปบ้างข อ, อยจะให้การบําเพ็ญทางด้านจิตใจของเราได้บกพร่องไปต่า เรื่องของโลกเป็นธรรมดามีการได้การเสียการเกิดการดับการแตกสลายทำลายเป็นธรรมดาไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนใกล้ชิดสนิทไม่ว่าคนห่างไกลไม่ว่าโลกไหนๆจะต้องมีความแตกสลายทำลายเป็นธรรมดาแต่ยังไงขออย่าให้จิตใจของเรากับธรรมะได้หืนห่างจากกันพยายามบำเพ็ญจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคง ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจา้าแม้ร่างกายจะแตกก็สักแต่ว่าการแตกสลายแห่งร่างกายส่วนจิตใจที่ได้บรรจุไว้ซึ่งทำมีคุณค่าแล้วใจนั้นจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าหากเราไม่พ้นจากกําเนิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราจะไไปปฏิิิสททธญาาณในนี่หเรจะกลายเป็นคุณมีคุณค่ามีราคาเพราะอํานาจแห่งธรรมซึ่งเป็นของมีคุณค่าห่อมล้อมลึกรักษาจิตใจของเรา เราจะเป็นคุณมีคุณค่าตลอดไปจนกระทั่งถึงแดนใน อ, อาวาสานคือมื้อผ่านอันเป็นของธรรมมันมีคุณค่ายิ่งดังนั้นในอาวาสานก็ธรรมเปรตสนานี้ขอให้ขอวิงวอนคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบุญบัน ด, นรรดาลให้ท่านทั้งหลายไปถึงแดนแห่งความมุ่งหวังโดยทั่วหน้ากันเทือ